บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นได้ทรงชี้ไปที่เรื่องของกายของเวทนาของจิต และของ ร, รมเพื่อให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องเหล่านั้นอาจจะมีปัญหาถามว่าทำไมจึงทรงแสดงไว้ถึงสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันทั้งนี้เป็นเพราะทรงแสดงคล้อยตามจริตทื่ อ, อัธยาศัยพื้นฐานของคนทั้งหลายในโลกนี้ ในเรื่องนี้ท่านจาแนกจริตของคนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานทางใจของคนไว้เป็นสองประเภทใหญ่ด้วยกันประเภทแรกคือตัณหาจริตจิตใจมีปกติอ่อนไหวสยบจิตหลงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งต่างๆได้ง่ายตัณหาจริตนี้ก็แบ่งออกเป็นสองชั้น ฉันแรกเป็นตันาจริตด้วยปัญญาอ่อนด้วยซึ่งหมายความว่าตันาจริตที่เกิดขึ้นย่อมจะแก่กราเพราะขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจนาให้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะกลุ่มของกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติ กำหนดระลึกและพิจารณาดูกายของตนจนเกิดความสงบในเบื้องตน้นและใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ความจริงอย่างแท้จริงของของร่างกายเป็นที่สุดเพื่อจะทายถอนตันหาจริตที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในส่วนกายให้บรรทอบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไป พื้นจิตของคนที่ประกอบด้วยตัญหาจริตนั้นจะทะเยอทะยานอยากได้สยบติดในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุซึ่งตนสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทงาง5คือด้วยการเห็นด้วยตาเป็นต้นและในแต่ละคนนั้นยังมีส่วนย่อยออกไปคือมีจุดเปราะบางอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นว่าบางคนมักจะสยบติดในเรื่องของรูปบางคนก็ติดในเสียงบางคนก็ติดในกลิ่นบางคนก็ติดในรสบางคนก็ติดในสุขสัมผัสซึ่งตนกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีแต่ละจุดที่เปราะบางของจิตใจนั้นพร้อมที่จะนำพาจิตใจของบุคคลให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและประสบอันตรายได้ทั้งหมดดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงต้องพยายามให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้โดยท่องแท้อย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดปัญญาคุ้มครองตนได้รักษาจิตใจของตนได้ไม่อ่อนไว้ไปตามอำนาจของอารมณ์ ที่ผ่านมาทางตาทางหูเป็นต้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงความเปราะบางที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในแต่ละเรื่องโดยเล่าถึงบุคคลหกคนด้วยกันไปเพื่อจะเอาราชสมบัติในกรุงตักกศิลาโดยมีพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้า อมาตย์อีกหกคนพระโพธิสัตว์ได้บอกให้ท่านทั้งห้าซึ่งจะติดตามไปนั้นว่าพวกท่านทั้งห้านั้นมีจุดเปราะบางด้วยกันทั้งนั้นจิตใจขาดความเข้มแข็งมักอ่อนไหวไปในเรื่องนั้นๆก็อาจจะตกไปภายใต้อำนาจของกิเลส ท, ที่มายดยวดได้ท่านทั้งห้าก็ยืนยันว่าจะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็ง แต่เมื่อเดินไปในระหว่างทางปรากฏว่าคนแรกก็ถูกล่อด้วยรูปคนที่สองก็ถูกล่อด้วยเสียงคนที่สามก็ถูกล่อด้วยกลิ่นคนที่สี่ก็ถูกล่อด้วยรสคนที่ห้าก็ถูกล่อด้วยสุขสัมผัสทางกายพ่ายแพ้ต่ออำนาจอารมณ์เหล่านั้นไปโดยลำดับถึงกรุงต ก, กศิลาและได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพียงพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวเท่านั้น ข้อนี้จะมองในด้านของรู ป, ปรธรรมก็จะเห็นในเชิงที่เป็นรู ป, ปรธรรมว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แขวงไปสายไปสยบติดในอารม์นั้นๆก็จะสยบติดอยู่ในเรื่องทั้ง5้าเหล่านี้ในแง่ของนามรธรรมนั้นก็เป็นการสอนให้บุคคลเข้าใจว่าพวกสิ่งที่เรียกว่าปยรูปสัจตรูป คือรูปอันน่ารักน่าพอใจเป็นต้นนั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดจิตใจที่เข้มแข็งคือขาดความสงบทางใจขาดสติปัญญาเป็นเครื่องระลึกพินิษพิจารณาแล้วโอกาสที่จะพลังพลาดตกไปสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นมีได้ง่ายแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนเพื่อถ่ายถอนกิเลส ส่วนนี้ออกไปโดยเน้นให้บุคคลทำใจสงบดูกายในเบื้องต้นแล้วใช้ปัญญาพินิษพิจารณาดูกายในเบื้องในตอนสุดท้ายอย่างที่ว่าไปแล้วแต่ว่าคนอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นตานหาจริตเช่นเดียวกันแต่มีปัญญาแหลมคมแก่กล้ามักจะไม่สยบติดอยู่ในเรื่องวัตถุกรรมทั้งห้าประการนั้น แต่มักจะติดอยู่ในสุขเวทนาซึ่งมีลักษณะต่างๆในชั้นของสุขเวทนานั้นเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกบางอย่างเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้ได้ซึ่งสุขเหล่านั้นแต่เพื่อเมื่อถึงจุดนั้นแล้วถ้าหากว่าไปเกิดสยติดไปเกิดยินดีอยู่ในสุขเวทนาก็กลายเป็นอันตราย เกิดภาวะชงักงานขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นแม้ในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานเองตัวสุขที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติวิปัสสนานั้นท่านถือว่าเป็นวิปัสนูปกิเลสคือเป็นเครื่องขวางกั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาจำเป็นจะต้องละเช่นเดียวกัน เรื่องของสูขเวทนาที่มีความละเอียดประณีตเชน่นนี้ตามปกติแล้วคนที่อัธยาศัยอยากจะไม่ค่อยติดแต่อัธยาศัยที่ประณีตก็จะติดในเรื่องเหล่านั้นเวทนาที่บุคคลเข้าไปยึดเข้าไปติดด้วยกําหนดสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของเรานั้นโดยภาวะที่แท้จริงแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไป รพระบุ้มีประภาคจึงทรงสอนให้บุคคลทำความสงบจิตดูเวทนาในแต่ละจุดเมื่อจิตใจสงบแล้วปัญญาความรู้ความเห็นที่ถูกตรงก็จะบังเกิดขึ้นก็ให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อทายถอนความยึดความติดในเวทนาเหล่านั้นออกไป กรรมฐานทั้งสองข้อนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับคนซึ่งมีตัณหาจริตประเภทแรกปัญญาอ่อนประเภทที่สองปัญญาแก่กล้าไปติดในเชิงนามธรรมามากกว่าติดในรูปธรรมอย่างพวกติดในเรื่องของกายแต่ว่าจะติดอะไรไม่สำคัญเพราะถ้ามีการยึดมีการติดอยู่แล้วไม่มีผล อันเป็นความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นเพราะการยึดการติดเหล่านั้นข้อที่เกี่ยวกับจิตกับเกี่ยวกับธรรมนั้นเป็นการแสดงเพื่อคล้อยตามจริตของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐิจริตคือไม่มีความเห็นที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริง เช่นเข้าใจว่าจิตเป็นสภาพที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวเดินทางจากพบสู่พบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปแต่ประการใดจิตยแยกออกมาจากจิตสากลซึ่งพราหมณ์ใช้คำว่าปรมาตมันแล้วก็เข้ามาถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายโอกาสหนึ่ง จิตจะสามารถสลัดพันธนาการที่ผูกมัดตนออกได้แล้วก็เป็นอิสระเข้าอยู่รวมกับปรมาตมันบางพวกก็มีความเห็นว่าด้วยการใช้ความเพียรประยามบางพวกก็บอกว่าเลื่อนลอยไปเรื่อยๆก็จะบริสุทธิ์ด้วยตนเองเป็นต้นความคิดเห็นทั้งสองประเภทนี้เป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพราะว่าจิตหรือวิญญาณหรือจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยต่างๆและเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นจิตเป็นความรู้เป็นความเข้าใจนั้นก็เป็นสังขารแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อเป็นสังขารก็ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาความคิดเห็นที่วิจิตเที่ยงแท้แน่นอนจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดจากสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ทรงสัจรูและได้ทรงแสดงเอาไว้คนทิฏฐิจริตประเภทนี้มีปัญญายังไม่แก่กล้าจึงเกิดความปักใจขึ้นมาในลักษณะเช่นนั้น ดังนั้นในการแสดงธรรมจึงทรงสอนให้บุคคลทำจิตให้สงบดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเพราะแท้ที่จริงแล้วจิตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในพระบาลีจิตสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความโดยสรุปว่าถ้าหากว่าบุคคลจะยึดถือว่าจิต เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วการจะยึดถือกายว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจะดีกว่าสิอีกเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นอาจจะดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างถึงห้าสิบปีหกสิบปี70ปีบ้างแต่ว่าจิตนั้นเป็นไปเร็วมากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อจะให้ดูประจักษ์ชัดด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงทรงสอนให้ทําจิตให้สงบแล้วก็ตวจดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเช่นว่าจิตมีราคะบ้างมีโทสะบ้างไม่มีราคะบ้างไม่มีโทสะบ้างเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจจังแจ่มแจ้งภายในจิตใจ แล้วความหลงผิดความเข้าใจผิดด้วยอำนาจทิฏฐิก็จะถูกถ่ายถอนออกไปแต่ว่ามีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งปัญญาแหลมคมมากทิฏฐิคือความคิดเห็นก็ยังรากลึกลงไปแต่ไม่ได้ไปกำหนดใจในลักษณะนั้นไม่ไม่กำหนดกายไม่กำหนดเวทนาไม่กำหนดจิตว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน แต่เกิดไปกำหนดเอาธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลและทั้งที่เป็นส่วนกลางว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นกุศล หรืออกุศลก็ตางแต่ละอย่างนั้นจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่มาประกอบกันหลายอย่างทั้งปัจจัยที่เป็นภายในและทั้งปัจจัยที่เป็นภายนอกถ้าหากว่าปัจจัยแต่ละอย่างเกิดปกพร่องไปหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดปกพร่องไปธรรมะเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าศรัทธาในพระรัตนตรัย ถ้าภายในจิตใจของบุคคลไม่มีความรู้คุณค่าของพระธตรมเไม่ได้เก็บคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เอาไว้แม้จะได้ฟังธรรมแม้จะได้เห็นพระพุทธปฏิมาแม้จะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเชื่อคือศรัทธาจึงถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดขึ้นเมื่อประสบกับปัจจัยภายนอกเช่นได้สดับบุตพระัตนตรัรยเป็นต้นก็ได้เชื้อขึ้นศรัทธาในการในความศัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะบางเกิดขึ้นแม้ธรรมะในส่วนอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมะที่ทรงแสดงนั้น ได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มก็เป็นการสรุปรวมธรรมะทั้งหมดเอาไว้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน้ในประเด็นแรกเป็นการกำหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบเช่นเดียวกันในช่วงที่สองเมื่อความสงบบังเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะธรรมะเหล่านั้น โดยละเอียดทีท้วนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในรรมเหล่านั้นปัญญาคือความรู้ก็จะบังเกิดขึ้นแต่นั้นจุดหมายปลายทางของความรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนั้นคือเกิดความรู้ว่ากายนี้ก็สักเตวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เรียกว่ากายานุปัสสนาในเรื่องเวทนาในเรื่องจิตก็ทำนองเดียวกันปฏิบัติไปจนเกิดญาณคือความรู้ว่าเวทนาจิตธรรมนี้ก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็เรียกชื่อการปฏิบัติในกรรมฐานแต่ละข้อนั้นว่า เวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาคือการตั้งสติตามดูในเวทนาในจิตและในธรรมจนเกิดยานความรู้ขึ้นในกลุ่มธรรมทั้งห้าประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้คือจุดหมายปลายทางในการศึกษาและในการปฏิบัติตามมหาสติปทานทั้ง4ประการ เมื่อบุคคลเกิดยานคือความรู้ขึ้นภายในจิตใจโดยนิยะที่กล่าวแล้วนั้นความวิสุทธ์ความหมดจดก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นความสุขที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเนื่องจากเกิดยานความรู้ ได้ถ่ายถอนกิเลสตัณหาออกไปจากจิตแล้วแม้จะประสบกับวัตถุเรื่องราวอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความโศกความร่ำไรรำพันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์ความโทมนัสที่เคยเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจของบุคคลก็ชื่อว่าอัสดงดับไปและบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความรู้ความเห็น ยังแจ่มแจ้งในหลักของปฏิจจสมุปบาทที่ทรงแสดงว่ายายัศสะอธิกมายะคือบรรลุยายธรรมด้วยผลแห่งความรู้ในปฏิจจสมุปบาทนั้นก็ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติกระทำพระนิพพานให้แจ้งขึ้นภายในจิตใ จ, จของตนวิถีทางที่จะประพฤติปฏิบัติ ในหลักของมหาสติประฐานทั้งสี่ประการนั้นเป็นการแสดงคล้อยตามพื้นจิตพื้นจริตของบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งแตกต่างกันและยานภาณนะที่จะนำบุคคลเข้าสู่พระนิพพานนั้น <c oughs> ก็ทรงแสดงไว้สองอย่างที่เรียกว่าสมถยานิก คือประกอบด้วยสมถะเป็นญาณพาณนะคำว่าสมถะคือการตั้งสติลึกให้จิตสงบดูในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่จริตอธยาศัยของตนคำว่าสมถะญาณิกนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณูปนิชฌานคือการเพ่งดูอารมณ์ อารมณ์ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยะเป็นอนเนกแต่การเพ่งดูนั้นให้เพ่งดูเพียงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เพ่งดูทุกอารมณ์จนเกิดความส ง, งบอยู่ที่อารมณ์เหล่านั้นจิตไม่พลากไปจากอารมณ์ตัดกระแสะแห่งอารมณ์ที่จะผ่านมาทางหูทางตาเป็นต้นออกไป อาศัยความสงบนั้นเองเป็นปาทก็เข้าไปใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจารณาที่ท่านเรียกว่าลักคนูปนิชานคือการเพ่งดูลักษณะของกายของเวทนาของจิตและของธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณิกคืออาศัยวิปัสนา การใช้ปัญญาพินิษพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมเป็นยานภาณะเพื่อให้เกิดความรู้อย่างแจ่มแจ้งในกองธรรมทั้งห้าประการนั้นและความรู้ในส่วนที่ท่านจัดเป็นวิปัสสนาก็คือว่าจะต้องยกสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรก่อนหรืออะไรหลังก็ตามขึ้นมาพินิษพิจารณาเห็นว่า เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการพิจารณานั้นก็คือเอาหลักที่ทรงแสดงว่าไม่เที่ยงหลักที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์และหลักที่ทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาเข้าไปจับกับอารมณ์เหล่านั้นคือเข้าไปจับกับกายกับเวทนากับจิตหรือกับธรรมก็ตามแล้วก็เพ่งดูในเรื่องเหล่านั้น พินิจพิจารณาดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงไหมเป็นของไม่เที่ยงตามที่ทรงแสดงไว้จริงไหมเป็นต้นลักษณะที่ให้กำหนดว่าไม่เที่ยงนั้นคือให้ดูที่อารมณ์ดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปจนถึงแตกดับไปในที่สุดจริงไหมก็ให้ดูในส่วนนี้ จะยกอะไรขึ้นมาก็ได้ที่เห็นได้ชัดแล้วปัญญาความรู้ก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นแน่นอนในครั้งแรกสองครั้งหรืออาจจะร้อยครั้งพันครั้งในตอนต้นปัญญายังเกิดขึ้นไม่เต็มที่ความรู้ความเห็นในลักษณะนั้นก็ยังเป็นปริยัติอยู่แต่ว่าเมื่อการพิจารณาได้มีการกระทาอยู่บ่อย ปัญญาก็จะค่อยๆข่อตัวขึ้นแล้วสามารถที่จะปล่อยวางความยึดความติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของตนว่าสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่เกิดขึ้น แล้วในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปโอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกดับไปความแตกดับแผงสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นกำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ความแตกดับเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสำหรับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรืออาจจะพิจารณาในประเด็นของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่บางเกิดขึ้นคือดูขณะความแ ป, ปรปลุนของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางอย่างนั้นเราเห็นได้ง่ายที่ว่าเหตุปัจจัยไม่เข้มแข็งพอความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นไปด้วเร็วจึงมายกไอศกรีมมาแก้วหนึ่งหรือน้ําแข็งมาก้อนหนึ่งมาพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันมีความดับอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยของความคงอยู่แก่มีกําลังน้อย ผิดกับเหตุปัจจัยความคงอยู่ของภูเขาต้นไม้ก้อนหินเป็นต้นเหตุปัจจัยเขาแข็งการดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ได้นานแต่ว่าสิ่งบางอย่างที่เหตุปัจจัยแกอ่อนแกก็เปลี่ยนแปลงไปได้เร็วการยกน้ำแข็งขึ้นมาก้อนหนึ่งมาเพ่งดูแล้วก็ใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาตามดูความดับที่เกิดขึ้นตลอดไปในน้าแข็งเหล่านั้นและในที่สุดก็อันตรธานไปมาจากน้า แกก็กลับไปสู่ความเป็นน้ำสิ่งทั้งหลายรวมถึงร่างกายของคนเราและของคนอื่นก็ทํานองเดียวกันเป็นการเกาะกลุ่มเกิดขึ้นมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟแล้วในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อโอกาสแตกดับก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปตามลักษณะแห่งาธาตุนั้ น, น, น แล้วพรงนี้โอกาสเดินแกก็ก่อตัวขึ้นมาอีกการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรจึงเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงแบบหมุนเวียนทั้งในเชิงรูปธรรมและในทั้งเชิงที่เป็นนามธรรมาหรืออาจจะดูในลักษณะที่เรียกว่าดารงอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองคาว่าขณะในที่นี้ก็อาจจะดูอะไรก็ได้ อาจจะดูที่แสงไฟฟ้าถ้าเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ามาก็จะเห็นว่าไฟฟ้าแต่ละขณะที่ให้แสงสว่างซึ่งโดยสายตาสามัญธรรมดาก็ดูว่ามีความสว่างติดต่อกันแต่แท้ที่จริงแต่ละวินาทีของแสงสว่างนั้นเป็นคนละแสงสว่างกันทั้งหมดเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยคนละเหตุปัจจัยกันการที่บุคคลมองเห็นแสงสว่างดำรงอยู่ตลอดไปนั้น เป็นความเห็นที่ไม่ตรงตามความจริงเพราะว่ากระแสแสงสว่างที่ให้อยู่ในวินาทีก่อนนั้นได้ดับไปแล้วในวินาทีที่สองก็เป็นแสงสว่างอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งขณะของสิ่งทั้งหลายนั้นดำรงอยู่โดยวิธีนี้เพราะมีการสืบเนื่องกันมาที่บาลีใช้คําว่าสันตติ บุคคลจึงมองเห็นคล้ายๆกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ละอย่างนั้นให้ยกขึ้นกำหนดพินิษพิจารณาดูโดยวิธีใดไปจากชัดขอยดูวิธีนั้นก่อนซึ่งในการเจริญนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มมาดูจากทุกข์หรือเริ่มดูที่อนัตตาหรือเริ่มดูที่อนิจจ์เพราะพื้นจิตของบุคคลที่จะเห็นได้นั้น ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นอ น, นิจจังง่ายก็ดูที่อ น, นิจจังก่อนบางคนอาจจะเห็นที่ทุกขังง่ายก็ดูที่ทุกข์ก่อนบางคนก็เห็นที่อนัตตาง่ายก็ดูที่อนัตตก่อนแต่ว่าเมื่อเห็นอย่างหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเห็นโดยอีกสองใจลักได้การปฏิบัติจนได้บรรลุผลในสายเหล่านี้ถ้าหากว่า เกิดขึ้นโดยการเห็นอนิจจังก่อนจิตสงบอยู่ในขณะนั้นท่านเรียกว่าอนิมิตตสมาธิคือสมาธิที่มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกาหนดหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปจิตหลุดพ้นเพราะการพิจารณาเห็นในข้ออนิจจังท่านเรียกว่าอนิมิตวิโมกข์ทีนี้สมมติว่าจะดูในข้อที่เป็นทุกขัง ท่านก็เรียกว่าอปนิหิตะสมาธิคือจิตที่สงบด้วยการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีเครื่องกาหนดหมายพอจิตหลุดพ้นท่านก็เรียกว่าอปนิหิตะวิโมกถ้าเห็นในด้านอนาัตตาก่อนท่านก็เรียกว่าสุญญาตสมาธิคือจิตสงบด้วยการมองเห็น ความเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามเมื่อจิตหลุดพ้นด้วยการพิจารณาส่วนนี้ท่านก็เรียกว่าสุญญาตาวิโมกแต่หมายความว่าจะเห็นในจุดใดก่อนก็ตามแล้วจะเห็นในจุดอื่นติดตามมาดังนั้นท่านจึงแสดงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตหลังจากได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะเกิดขึ้นโดยลาดับอย่างที่กล่าววันนี้ ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป